กฏติปาติกังฆาซึ่งแปลเป็นใจความบ้าเมื่อจิตเศ้าหมองสุปกติปาติกัง ย่อมและเมื่อจิตที่ไม่ขุนมัวได้และเป็นที่หวังได้จิต ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง Cunh ngàm quàm dì Hãy queixer mì khứn Này cà ai kong l'heu băng Này vaj cha kong l'heu băng Này jit, này chay kong l'heu băng Ré mùn khu sốn queixer khứn Chà creuong pha เป็นเครื่องอาศัยสําหรับชีวิตคือความเป็นอยู่ และสืบเนื่องมาจากกิจสะอาดไม่มี รอบงามแล้วก็ถือว่าจิตใจดวง เราสามารถยังความชาติทรง ให้เมื่อเป็นอย่างนี้เป็นไปตามประเสริฐของจิตใจ ไม่ได้ไปด้วยความเดือดร้อนเมื่อไปดีด้วยความเดือดร้อนเมื่อไปดีไปสุข เกิดขึ้นในดวงจิตแล้วก็ครอบ เป็นจิตใจเศร้าหมองและขุ่นมัวอย่าง อกเศษเครือข่ายของกิเลสบังคับบีบ ดังนั้นจึงเป็นไปด้วยความเศ้าหมองและคุณมัวประกอบไปด้วยโทษหาคุณไม่ได้พูด จะไปข้างหน้าก็เจอความทุกข์ความเดือดนี่เมื่อ ในตัวของเราทุกคนตัวของเราทุกคนประกอบไปด้วย ก่อนจะเข้าถึงและประสบผลกายวาจาก่อนแต่ตา ซึ่งต่างกันกับคําว่ากายของเรา ข้อวัดปฏิบัติทั้ง 8 ประการซึ่งเราได้ 9, 9 คืนโดยที่พวกเรา และอรหันตธาตุเป็นเวลา 9 วัน 9 คืนผ่าน เพื่อประกอบการค้าเพื่อพัฒนาฐานะการค้าหาให้มันได้มากเท่าที่จะมากได้ ก็เป็นขาดทุนบ้างบางครั้งโชคไม่ดีผีเทวดาไม่อําหน่วยค้ามันก็ ขาดทั้งทุนที่เราลงไปเกือบจะหมดหรือหมดสิ้นในบางครั้งบางคราวบางครั้งอาจจะได้ประสบผลอันเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งคือ นี่ไม่มีใครที่จะร่วงรู้ได้ค้าก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครที่จะ จึงเป็นการกระทําเพื่อเสี่ยงเป็นการเสี่ยงหรือเป็นการเดากะเนแต่จะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์บังคับให้เราต้องทําอย่างนั้นเป็นอย่าง ทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งโรงทิ้งเต้าทิ้งสมบัติพัคสถานภาวนาฟัง แล้วก็ปฏิบัติธรรมมากมายพิธีกรรมที่จะนํา คุณความเลวตลอดอันนี้เป็นหลักพื้นฐานประจําการมาของพวกเราทุกเราหรือใครจะทําได้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับความ กำไรคือคุณงามความดีได้แก่บุญกุศลที่ ขาดทั้งต้นทุนทั้งการลงทุนขาด เราก็ไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงสามีภรรยาเลี้ยงบุตรเลี้ยงญาติเลี้ยงมิตรเลี้ยงเพื่อนบานใกล้เคียงเมื่อมีมากเราก็ไม่หวงไม่แหนงไว้สําหรับบริโภคอุปโภคเพียง การเผยแผ่เชื้อชาญนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บังคับหรือได้สรรเสริญว่าให้จนหมดจนตัวนั้นอด การสมควรที่จะรับความทุกข์ก็เป็นโทษของการต่อเป็น แต่การไม่แบ่งเลยนั่นไม่ควรกระทําอย่างยิ่งนี่ศาสนาท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรา ลูกได้ไปบําเพ็ญกุศลกลับมาก็ขอให้ได้โมทนาส่วนบุญกุศลกับลูกเถอะอะไรทั้ง เปรียบเหมือนฝ่อยเราจะให้แสงสว่างคือสติปัญญามันมีอยู่ใน มันก็สว่างหมดทั้งบ้านให้ไฟของเราเพียงเกียรติเล่มเดียว เพื่อต้อนรับแขกเมื่อแขกจะไปใครจะมาทุก 4 ทิศจตุรทิศมาเห็น นะสบายดีเรียกว่าชื่นอกชื่นใจเจริญตาด้วยความงามของดอกไม้นั่นคือเป็นการต้อนถ้ามองกันได้ลึกซึ้งกว้างขวางออกไปกว่านั้น นี่ทั้งส่วนอ่ามิดสบูชาให้ที่พักภาอาศัยให้ นี่มันเป็นความแลมการทําอย่างนี้มันเป็นความดีของเจ้าทิ่นผู้ที่เป็นเจ้าของถ้าเราขาดตกบกพร่องมันก็เกิดความเป็นอัปปมงคลคือความก็อาจจะ เมื่อเราต้อนรับกับสู้เขาดีนั่นก็พอเปรื้อแพเป็นผู้มีความเคารพในธรรมะเรียกว่าอ่าปฏิสันถานคละปฏิสันถาคารวตาเคารพในการ ย่อมเกิดเป็นสิริมงคลถ้าเราไม่ต้อนรับความอัปมงคล แล้วเมื่อได้ศูนย์เสียอะไรไปเลยที่เราจัดต้อนรับเขาในบางสิ่งบางอย่างนี่ แก่ผู้ที่กระทำบำเพ็ญแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นกันเองไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติไม่ใช่มิดก็ อาจจะเลิกละจากความท่านจึงกล่าวว่าชนะความชั่วด้วยความดีชื่อว่าเป็นการชนะอันเลิศเลิศเพราะฉะนั้นการต้อนรับด้วยอามิตร ด้วยวาจาสุภาพประอ่อนหวานประกอบด้วยมารยาทกาย เอาเวี่ยมครอบครัวและแบ่งเฉลี่ยเชื้อชาญให้กับญาติพี่น้องร่วมบ้านอย่าง เมื่อสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนบางครั้งสัตว์กรรมนั่นก็จะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตาใกล้เคียงหรือไกลใกล้ก็ตามเมื่อได้ประสบเราท่านทั้งหลายจะ หวงแสนหวงห่วงแสนหวงเพียงใดก็ตามเราทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะไปต่อ พอให้ทําจิตทําใจของเราและได้เป็นอุเบกขาคือความเฉยลงไปเพราะว่าสัตว์นั้นน่ะเสอยกรรมรักความ อย่างมากมายมหาศาลเราจะรักชอบแทขวัญขวายเพียงใดมันก็เข้า อะไรเล่าที่มันทําให้คือรักมากมันก็ทุกข์มากอัน เมื่อมันถึงแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปหยิบและปัดเป่าออกได้ตาม วันทรงลงไปเลยนี่แหละมันเป็นวิบากกรรมของเขาทําไว้เหตุไว้ในอดีตมันต้องไปแก้ที่เหตุโน้นเมื่อเหตุมันดับ ไม่มันก็หายเองไปเสกไปเป่าด้วยเวทมนต์กระฉาอะไรมันก็ และอย่างนี้เป็นต้นชั้นใดก็ชั้นแหละเพราะเหตุนี้แหละวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็จะวันเก้าคืนมาก อันนี้เราทุกคนกล้ายืนยันและกล่าวได้อย่างเต็มอกเต็มโดยที่เราเองไม่มีใครสงสัยแต่เราจะจากที่นี้ ส่วนความดีนั้นยังมีอยู่กับตัวของเราเราจะเอาไปด้วยหรือไม่มันอยู่ที่ตัวของเราจิตเตสังกิริฐิเมื่อเราปล่อยจิตของเราไม่มีการ นี่มันก็อาจจะตกไปอยู่ในอำนาจของกิเลสเป็นทาสของกิเลสดั่งที่กล่าวจะเป็นความโลภ ให้ทำความชั่วค่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ลักทรัพย์เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยการ เอออโหสลาทัญญายปิญญาบาญยาบออารยญาอิมาย้อมจิตย้อมใจของเราให้หมดขาดสติหมดจากความเป็นคนถือว่า แม้จะแก่ตายใกล้ประฆาบประฆาบมันเออประมาทหมกมุ่นอยู่กับความโชคคือบาปอกุศลอยู่อย่างนั้นคนประมาทก็ แตกดับทำลายไปเท่านั้นเมื่อนะผลเส้น 1 เข้าไปไม่ได้จะนับภาษาอะไรแต ความดีและความชั่วบุญและบาปคำว่าบุญนั้นก็หมายถึงความ จะทําสิ่งใดก็ประกอบไปด้วยเมตตาจะพูดสิ่งใดก็ประกอบด้วยเมตตาจะคิดสิ่งใดก็ประกอบด้วย ไม่ว่าเขาจะสวยความทุกข์อะไรอยู่ก็ตามคือมีความกรุณาที่จะ ผู้เบิกขาการวางเฉยว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วมีกรรมเป็นของท้องตนปล่อยไปตามสภาพของธรรมนั้นเมื่อมี ยื่นกะยื่นในพระภพนั่งนอนกินดื่มทำพูดผิดอยู่ในพระทั้งหลายได้มา เมื่อเราหากันได้แล้วก็พาใส่พกใส่ห่อๆพิ้วไปแจกให้แบ่งให้พ่อแม่ญาติ ก็ด้วยเมตตาในกันและกันท่านจึงบอกว่าเมตตาเป็นเครื่องค้ําจุนโลกไม่ให้โลกมันล้มไม่ให้โลกพินาศไม่ให้โลกมันโทรมเนี่ยเพราะเพราะด้วยอํานาจเมตตาตัวเราทุกคนก็เหมือนกันกายวาจาจิตใจของ ทำเมตตาตัวเราเอาเมตตาให้คนอื่นเค้าน่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่นักบุญนักกุศลเพราะฉะนั้นความดี บรรเทิงใจทั้งในชีวิตนี้แตกดับทําลายขันธ์แล้ว อันนี้ฉันๆก็ปรากฏตัว เป็นเวลา 9 วันเข้าคืนนี้สิริรวมมาเป็นพรปัจจัยดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและปวดทุกข์ทรนทรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จงดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมคําสั่งสอนของ ขอขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงได้ประสบถึงจตุรพิธพรใจทั้ง 4 คืออายุวรรณะสุขะภาระคือกำลังเมื่อเรามีอายุยืนวรรณะผิวพรรณผ่องใสจิตใจเบิกบานวรรณะสุขะมีความสุขตายสุขใจภาระให้เกิดกำลังเราก็จะได้พากันทนุบำรุงพระบวร de que t'an tín samàthí bàn jà, hay de plong sông hiu, phàt-thà-na d'yên-yên-khiên-pà, por c'ha nành, c'hoi quàm sụp, quàm sòvat, dà rắc, c'hoi am nà, c'hoi sòn, fốn, la bunàn, tàng-cà-o-ni, trông don bàn-đàn, hay phí-non, đại tàng-lái, đại xâm-lịch, sống quà, mụng-ma-tà-tà-na, la nà, tà-tì-càn-ngàn, trà lọ